ข้าพเจาลวงพ่ผู้เป็นประธานที่เขาลพเขาเจริญในสินในธรรมครับจะกับโยมวันนี้จะเป็นวันที่ที่หกเดือนมีนาคมเดอนมิสายนสองพันหนึ่งร้ยสามสิบเจ็ สมาชิกเองก็มีโอกาสมาร่วมประพตปปฏิบัติทำร่วมกันแล้วก็มีโอกาสขึ้นมานั่งบนสมาเพื่ามาพูดสู่กันฟังไม่เคยมาเทศน์มาสอนว่าการสังเกตหรือการได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง ไปความรู้จากการตั้งไปนำไปประปฏิบัติเพราะ ก, การปฏริบัตินั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนเรียกว่ารู้จำรู้จำมาจากจากท่านผู้รู้ผู้ไหนผู้ไหนทนรู้อามาสอนเราเราก็จำาทำอะไรให้มีครู ไม่ใช่ว่าทําให้มีครูไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักการทําให้มีหลักการหรือทําให้มีมีระบบเรามีระบบมีระเบียบเราไม่ได้คิดขึ้นมาทำเอาเองามีครูมีอาจารย์มีผู้บอกมีผู้สอนแล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติต่อหนึ่งในแต่พระพุทธเจ้า ถือว่าพระกิจสัาเมื่อครั้งที่เบื่อไปใหม่ท่านก็แสวงหาครูหาอาจารย์แต่ว่าเมื่อเมื่อเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าวเป็เรื่องของตัวเองไม่ใช่เรื่องของครูบาอาจารย์เพราะว่าการดับทุกข์หรือการแก้ทุกข์นันมันเป็นเรื่องของตัวเองเราต้องจัด ก, การกับตัวเอง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวมีตนแม้แต่พุทธศาสนาของเราก็มีตัวมีตนเสียก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนฉะนั้นการมีตัวมีตนในภาษาธรรมะทันว่ามีลูกกับน้ำตัวมีกายตับใจมีสองอย่างตัวตนก็มีสองอย่างไม่ว่า จะเป็นชนชาติไหนจะเป็นกอนหลังเป็นขมนิ้นเป็นลาว <c oughs> เป็นยวนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเจ็กเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มีรูปคำนามกายใจดัง น, นั้นก็เราก็มาศึกษาเรื่องรูปคำนามเรื่องกายงกายใจไไม่ได้เรื่องอื่นศึกษาตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วก็ มาปฏิบัติตรงนี้ไม่จะไปไหนก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเราจะมาเฉพาะวัดหรือมากําหนดออเอาแค่เจ็ดวันแล้วก็ว่างจากตัวตนอย่างนั้นมันก็ยังไม่ใช่เราจะไปอยู่ไหนเราก็มีตัวมีตนเรามีกายสั ต, ต, ตใจไปอยู่ด้วยแต่การบุคคลปฏิบัติธรรมจิงไม่มีกําหนดไม่มีกําหนดเอาวันนี้หรือวังนี้เราต้องเอาเดี๋ยวนี้แม้แต่วันนี้มันก็ยังมีอยู่ทั้ง ยี่สี่ชั่วโมงทะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนเราเรื่องทีละขณะ<ม>ในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ทีละขณะเะฉะนันน้นการกจริญสติจึงเป็นกำหนดเอาเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอว่าเยอก่อนชั่วโมงหน้าหรือ ว, ว่าวินาทีหน้าเอาวินาทีนี้ปัจจุบันนี้การเห็นอย่างนี้เขาเรียก ว, ว่ามาเจริญสติ แม้เราจะนั่งอยู่ก็ตามเราจะนั่งอยู่หรือเราจะนอนอยู่ก็ตามหรือว่าเราจะเราจะทําอะไรอยู่เราก็มีสติอยู่คาว่ า, าสติหมายถึงว่ากําหนดอยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่รู้อยู่แต่ว่าเราจะปล่อยปะละเลยไปในสิ่งที่เพลิินสนุกสนานกับชีวิตชีวิตนี้ไม่มีไม่มีความสุขพระอริยเจ้าเขาเคยตรัสอะไรว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น มีแต่ทุกเท่านั้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะจะมากไปกว่านี้เพราะนั้นเราจรึงมาศึกษาเรื่องทุกข์ทุกทางกายเขาเรียกว่าเ็าเรียกว่าทุกทุกปลว่าของที่มันทนอยู่ไม่ได้ของที่มันมีอยู่การที่เราจะเข้าเวนทุกข์ก็มาเราต้องมีกฎเกีย์หรือมีหลักการ<ม>เพราะว่าทุกข์ก็เคยบอกเราทุกข์มนมีตัวมีตนทุกข์กาย กายของเราก็เห็นกันอยู่เห็นกันเนื้ต า, ตาเร า, าเห็นกายเนื้ตาตาเนาะเห็นตาเนื้อเห็นเห็นมันเคลื่อนมันไหวการเห็นอย่างนี้นะเราเรียกว่าสติสติกำหนดกายสติมาจากไหนสติมาจากความรู้สึกรู้สึก รู้สึกการรู้สึกการเคลื่อนไหวที่ลักษณะที่มันเคลื่อนที่มันไหวไหวกายก็เรียกว่ากายมันไหวหรือว่าจะกำหนดมือก็ได้มือยกเข่ายกเกาะแล้วก็กาหนดรู้รู้อยู่ว่าเรายกรู้สึกตัวอยู่ตลอดรู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นรู้ว่ามันยกเห็นว่ามันเคลื่อนมันไหวเอตนี้มันก็เรีว่าเห็น การเราเพืปฏิบัติทำเราไม่ต้องพูดถึงพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไม่ต้องพูดไม่ต้องกาหนดเราพุทโธลมออกเอาพุทลมเข้าว่าโทว่าเาว่าโทเข้าว่าพุทก็แล้แต่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเรารู้เลยเห็นเลยเข้าไปรู้ไปเห็นเอาเลยเราไม่ต้องบ่นไม่ต้องรอว่าพุทโธไม่ต้องรอว่าสัมมาอรหังไม่ต้องพูดก็ได้ เพียงแต่เขาไปรู้รู้สภาวะธรรมสภาวะธรรมก็อนตมาก็พ้นระหว่างมีมีสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือมีตัวมีตนก่อนเพราะนั้นเราต้องมาศึกษาเรื่องตัวเรื่งตนถ้าเราศึกษาเข้าจริงๆถ้าเราหมั่นศึกษาหมั่นเจริญสติเข้าจริงๆรินั้นเราก็จะเห็นเห็นเป็นของเป็นของสภาวะเฉย เราก็ไมานี้ก็ ไ, ไปยึดมัน่นไม่ไดยึดมัน่นคือมั่นว่าเราเก็ดว่าเราปวดว่าเราโกรธว่าเราเครียดว่าเราสูดว่าของเราดังนั้นเราก็ได้มาเจริญสตินี่แหละเป็นเครื่องที่ว่าไม่เข้าไปยึดในตัวในตนเพราะว่าตัวตนนี้ก็อัตมาก็พูดได้ว่ามันเป็นทุกข์แต่เมื่อเราได้มาเจริญสติอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องคือมาเห็นสภาวะทุกข์นี้ มันทําให้เรานี้ไม่สบายเมื่รู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางในตัวในตนได้เมื่อปล่อยวางในตัวในตนได้แล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจในสภาวะธรรมคือเห็นสภาวะเช่นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แต่มันก็หายไปถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรอ่ ชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ว่าชีวิตนี้คือสิ่งที่เราปรารถนามีรถยนต์มีบ้านอยู่สวยๆมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีอะไรหลายๆอย่างิตประทะ <c oughs> อย่างนั้นมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นสิ่งที่ เราไปฝันเราคว้าเอามาว่าสิ่งนันเป็นชีวิตสังคมทุกวันนี้ก็มองอย่างนั้นแหะถ้าใครรวยๆหน่อยมีรถยนตนสีก็ดีแล้วสบายแล้วมีเงินมีทองเยอะๆก็ดีแล้วสบายแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันก็เสี่ยมไปสิ้นไปเหมือนกันกันกบกับตัวเราแต่เราก็ไปยึดไปติดในสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราไปยึดจิตแล้วก็อนที่โนนั้นมันก็ไม่อย่างยืนยวมันก็จากไปไม่จากไปก็เป็นทุกข์เป็นภรรยาตายจากสามี <war. S 1> หรือว่าลูกตายจากพ่อจากแม่หรือว่าพ่อแม่ตายจากลูกจากเ่าอย่างนี้แล้วพอไปยึดจิตพอไปยึดจิตแล้วเราอ่ า, า ม, อมีตัวมีตนเมื่อเป็นเชนั้นเราก็ออกมาเป็นเป็นทุกข์เพราะเราทนอยู่ไม่ได้เรามีความรักอยู่เรามีความชังอยู่ เรามีความไม่คอยใจอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อจนเช่นนี้แล้วเราก็เพราะว่าเราไปยึดติดแต่ที่เรามาเพื่อปฏิบัติทรรมนี้เราเพื่อจะมาทำลายอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราหลงอยู่ที่เราติดอยู่ฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าคำว่าติดนี้คืออะไรก็คือเราไปคล้องอยู่คล้องอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนา เราคล้องกับสิ่งเหล่านั้นปารธนาอย่างนั้นปารธนาอย่างนี้ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเป็นยังไงเราจะเรียกว่าเป็นบาปก็ได้อ๋อบาปก็คือความทุกข์นั่นเองเป็นบาปเมื่อเป็นบาปแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้เป็นบาปแล้วก็เป็นสัตว์ก็ไล้สัตว์ไป็นอฐานเป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้พออะไรเพราะความทุกข์นั่นเอง ความที่มันทําลายจิตใจของเรานั้นให้มันเป็นไปเป็นไปต่างๆไปต่างๆนานาฉะนั้นเมื่อเรามาบุพเพปฏิบัติเราจึงไม่ไปสู่อบายภุมอวัยวุมสี่คือไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นฉันได้ฉานไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปเป็นเปรตนี้ถ้าเรามาบุพเพปฏิบัติขยันบุพเพปฏิบัติเจริญสติอดังอย่างที่พวกญาติทำทำแบนี้รับรองว่าไม่ตกไม่ตกแน่นอน เพรว่าเรารู้อยู่รู้อยู่ว่านรกคืออะไรใจเป็นขานคืออะไรเต๋อคืออะไรอสุ ร, รกายคืออะไรเรารู้อยู่อะไรพวกสี่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ตกเพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราจะไม่ไปทางนี้ไม่ใช่ว่าหลังจากตายแล้วไปตกลเป็นรกไปเป็นขันไปเป็นสัตนไปเป็นเต๋อไปเป็นอสุรกายอย่างนั้นยังไม่ใช่เราก็เป็นเดี๋ยวนี้ เพราะว่าพระศาสนาสอนเดี๋ยวนี้ทีละขณะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ช่ว่าเราจะปราถนาว่านิพพานนังปัจโยโหตุอนาคาเตกาเลขอให้ผู้ฆ่าได้ไปนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุนเทอร์มันไปไม่ได้เมื่อวันพรุ่งนี้เราก็ไปไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ว่าวันพรุ่งนี้มีมีมีไหม ม, ม, ม, มีแต่ว่าก็สมมุติพูดเอาเฉย บันเด็ดขึว่าวันพรุ่งนี้แต่ว่าที่เราจะทำจริงๆแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่กับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็หมายถึงว่าเราสมมติมพูดขึ้นมาแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนกับโลกนี้มันกันกับโลกหน้ามันก็อันเดียวกันโลกนี้มีไหมมีแต่เห็นไหมไม่เห็นเห็นที่ไหนเห็นเดี๋ยวนี้ เพรานั้นบริจาคศิษย์ศักดิวัดทำดีเดี๋ยวนี้อย่าดีรออย่าได้ขอเหมือนกับที่หลวงพ่ออ่านักป่าหลวงพ่อพุทธทาสังเกวไว้ว่าสาวพุทธนี่ดีแต่ไหว้บอกให้ประพฤติทำเอามือกําหูด <c oughs> ีแต่ไหว้แต่บอลบอกให้ประพฤติทำเรากำหูจ้อยไม่อยากจะฟัง ไม่ชอบคำว่าธรรมะธรรมะแล้วก็ไม่ชอบอ่าให้ไหวแล้วดีสาธุสาธุเนีย่ยคนเรามันเป็นอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาเข้ากรรมาฐานเราไปทำแต่สิ่งอื่นไปยุ่งแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเข้าเรื่องขอ ง, อ ง, อ ง, องไม่นานก็าจากมันแล้ว บ้านสร้างไว้สวยๆอยู่แปดสิบปีหรือเก้าสิบปีอย่างมากแล้วก็ไปแล้วเราจะเอาอะไรมันไม่ได้อะไรแล้วเรามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่เราถ้าเราจะได้จริงๆได้ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราใจดีเดี๋ยวนี้มันก็ดีเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีสติความรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้มันก็ดีเดี๋ยวนี้แล้วก็จะดีต่อไปอีกด้วยต่อเนื่องไปทําดีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ดี ทำดีเดียวนี้จิตใจเราก็มีสติเดียวนี้คงามโลงควาโกรธคงหลงก็ไม่มาไม่เข้ามาใกล้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีสติอยู่เราเห็นอยู่เราเข้าใจอยู่ในตัวในส่วนของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็พุทธศาสนาก็มีคุณค่ามีราคาสําหรับเราไม่ใช่ว่าพุทธศาสนานี่สอนให้เราไปเชื่องมงายลัทธศาสนาสอนให้เรามีสติแม่แต่นักธรรม ในนักทำเ้นปีเขาก็เอาทำสองอย่างนี้ขึ้นก่อนคือสติขึ้นมาสอนก่อนเพราะว่าถ้าบุคคลไหนมีสติแล้วก็บุคคลนั้นก็จะเลน่นจะเลินไปเรื่อยถ้าขาดสติแล้วก็ไม่จเจริญไม่จเจริญจริงจรงถ้าขาดสติเหมืนก็คนเมาเหล้าไม่มีสติเขาพูดอย่างนั้นล่ะเมามันเมาเมาในความพูด เมาในความร่าเลิงเมาในความสุขนี่ก็เมาเมื่อเรามาจเจริญสติแล้วเราไม่เมาไม่มเามาถ้าเราไม่เมาถ้าเมาแล้วดีไหมไม่ดีถ้าเมาแล้วมันก็เป็นอย่างอื่นเรียว่าจะมเมาเล่าไหงเมาในในลาภในยศเมาในสมบัติพันธสถ า, านเมาในวัยเมาในเพศ อย่างนี้นก็คือว่าเมาอยู่ประมาทอยู่จะเอาคู่ทุติขาดสติถ้าเราไม่ขาดสติเวลาเราไม่เมาเป็นทำโมไม่ใช่ทำเมาทำโมทำโ ม, ม, โมเว ร, รกัรกรติทำไม่จริงทำก็ย่อมรักษาผู้ก็คือปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในชั่วที่ชั่วก็ดอก็ได้กล่าวมาแล้วว่าที่ชั่วคืออะไรที่ชั่วมายถึงความไม่รู้นั่นเอง ไม่รู้ไม่ค่อยใจแต่ว่าเมื่อเรามาพัฒนาปฏิบัติแล้วเรารู้เราเข้าใจเราก็ไม่ต้องตกไปในที่อย่างนั้นเขาสูบบุหรี่ล้วก็ไม่สูบเขาเดื่มเหล้าเราก็ไม่ดืม่มเขาไปเที่ยวเราก็มาไปมันก็สบายแล้วก็ดีกว่าเขาจิตของเรามันสูงขึ้นมาแล้วมันก็ดีขึ้นมาในเลือดดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอเพราะว่าจิตของคนเรานี่มันมันไม่เหมือนกัน ทิที่ฝึกดีก็นำสุขมาให้ยิต ท, ที่ไม่ได้ฝึกมันก็นำทุกข์มาให้อย่างที่พวกญาติธรรมามาฝึกนี่หมายว่าฝึกจิตฝึกกายฝึกกิตถ้าฝึกดีแล้วก็นำสุขมาให้เราทำก็มารักษาเราทำก็คือความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าจะเอาเหรียญมาแขวนคอไม่ใช่ว่าจะเอากระตุดเอามวลหรอาคาถามารักษาตัวอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องงมายอยู่ สิ่งที่เป็นรักษาเราก็คืควมดีผลงานการกระทาของเรานั้นเป็นสิ่งที่รักษาเรารักษาตัวตนรักษาสภาวะกิตของเราให้ดีให้งามขึ้นในที่สุดเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องในเรื่องความโกรธในเรื่องความโลภในเรื่องความหลงเป็นสุขอยู่กับสติเป็นสุขอยู่กับธรรมะ เพราะว่าทำรรมัฟิติสุขังเสติหรือผู้อิ่ในธรรมนั้นแ่ะเป็นผู้มีความสุขที่สุดเรามีพระเถระหลายๆลูกในครั้งสมัยที่นานมาแล้วสมัยครั้งพุทธการท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเรามีสติเรียกว่าอาหารหังสุขโขสุขร้องสุขน่อยอย่างนั้นแหะจะไป น, นั่งอยู่ทีงไหนก็สุขนั่งอยู่ที่ เรือนว่างหรือป่าไม้หรือโค้นไม้ก็ท่านก็กล่าวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านมีสติอยู่ตลอด <c oughs> <c oughs> อยู่ตลอดเวลาถ้าญาติธรรมของเราเป็นกันท่านมีสติแล้วก็สบายไม่ต้องเมาในความพูดไม่ต้องเมาในความคิดไม่ต้องเมาในในสิ่งที่ตนปรารถนาเป็นเพื่อเห็นอยู่เห็นอยู่ก็คือสติเข้าไปเห็น เอาสติเขาไปกำหนดรู้ฉะนั้นการเจริญสติจึงมีบทบาทหรือเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นของเล็กน้อยถ้าเราได้ประเพื่อปฏิบัติเข้าจริงๆอ่งแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าเจริญถึงจะไม่มีอะไรก็เจริญเจริญด้วยสติเมื่อมีสติสมาธิก็เกิดปัญญาก็มาเพราะมันเป็นธรรมหมดเดียวกันสติสมาธิปัญญา เป็นทมหมวดเดียวกันไม่ใช่หมวดอื่นมัอนกับคนกินเหล้าก็ไปหาพวกพวกที่กินเหล้าด้วยกันเหมืนกับคนเล่นการพ น, นันก็ไปหาคนที่เล่นการพ น, นันด้วยกันเหมืนกับคนชนไก่ก็ไปหาพวกคนชนไก่ธรรมะก็เหมือนกันเป็นหมวดเป็นหมู่หมวดธรรมะก็ไปหาธรรมะคุยธรรมะสนทนาธรรมะหมวดเล่นการพ น, นันเล่นเบิเล่นเลขเล่นหวยก็ไปหากัน คือนี่ฝันยังไงฝันยังไงก็ตีเป็นหัวยตีเป็นเบิดเป็นเบอร์เป็นบอร์นี่ก็เป็นพวกเป็นหมู่ดังนั้นพุทธบริษัทจึงเป็นพุทธบริษัทสําหรับพระพุธธทธเจ้าเท่านั้นพุท<ม>ธบริษัทก็เป็นหมู่ของพุทธส า, าวกเป็นหมู่ของชาวพุทธถ้าชาวพุทธจะไปอยู่กับอา่าจะไปทําอะไรกับพวกฮิตก็ไม่ได้เขาไม่ให้ทำจะไปทําอะไรกับพวกวุฒิลินหรือพวกอิสรามก็ไม่ได้จะไปเข้าเอเข้าวงเขาก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่พวกของเขา ฉะ น, นั้นเราชาวพุทธก็คือชาวพุทธพวกเรามาเจริญสติก็คือพวกเรามาเจริญสติไม่ใช่ไปเมาคุยกันอยู่ไปคุยกันไปส่งเสียงเอตโลโคโฮเฮอยู่พวกคุณญาติคุณโยมญาติธรรมก็เหมือนกันพวกเยาวยชนก็เหมือนกันพวกเนรน้อยนีตัวการมันเนรน้อยเล่นั่นเล่นี่แต่วะจอมเล่จอมเล่จอมกลมวน <c oughs> เดินไปนั่นเดินไปนี่คุมไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่คุมตัวเองจะให้เดี๋ยวครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ไปคุมมันก็ไม่ไหวตัวเองไม่สนใจตัวเองแล้วใครจะมาสนใจเราใครจะไปคุมเราไม่ใช่นักโทษเราจะเป็นนักโทษเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักโทษเราก็คุมกันเรื่อยไปทางไหนก็คุมกันไปเรื่อยต้องตะคอกต้องดา่าต้องบอกต้องเตือนกันเรื่อยคุมกันเรื่อย เนี่ยคำวานักโทษนักโทษที่ถูกประหารถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสบายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับตัวเองประพฤติปฏิบัติเอาตัวเองยกมือขึ้นก็รู้เอามือเข้าก็รู้เอามือออกก็รู้รู้อยู่รู้กิริยาอาการเคลื่อนไหวของกายของใจอยู่เดินอยู่แล้วก็รู้รู้ว่าเราเดินเอาอะไรเดินไม่ต้องว่าเอาขาเดินก็ได้รู้ว่าสักเท่าเด้อมันเดินมันเคลื่อนมันไหวก็พอ ไม่ต้องว่ามือกูยกแล้วนะขากู้ยากแล้วนะกูเหยียบแล้วนะไม่ต้องว่ากูไม่ต้องว่ากูไม่ว่าต้องว่าสิงใดทั้งหมดเพียงแต่รู้ท่านหลวงพ่อมาหาท่านบอกให้รู้อย่างเดียวให้รู้ในสัมผสัสอย่างเดียวการเคลื่อนการไหวรู้อย่างเดียวรู้ตู้เบาๆไม่ต้องรู้หนักก็ได้รู้เบาเบารนะู้นิดๆเหมือนกับน้ํามันไหลนิดๆนึงก็มาแล้วขุดบ่อน้ําไม่ใช่ว่ามันไหลเหมือนกับน้ำปลาปาหนาจากจักเหมือนน่ะมันก็ไหลนิดๆ ดีไม่ดีเราไม่เห็นมันไหลด้วย๋ย่มันก็เต็มบ่อหรือมันสามารถให้เราเอาไปใช้ไปดื่มได้ไม่หมดการเจรินสติของเราก็ออกเช่นเดียวกันแล้วก็มีน้อยๆละ่ะสะสมน้อยๆไปเรื่อยๆสะสมนิดสะสมหน่อยอก็มาก <c oughs> มากไปเรื่อยๆมันกับความโบราณท่านว่ามีสืึงให้มีอะไรมีสืึงให้บรรจบหามันจบให้ครบบาก มีไปเรื่อยมีสลึงหนึ่งก็4สลึงเป็นหนึ่งบาท4บาทก็เป็นหนึ่งตำนึงพอแล้วแตจเราจะปวดไปนี่สมมติปวดให้ฟังการจเจริญสติของเราก็เหมือนกันแล้วก็ทำใน น, อน้อยอย่างนี้เจริญในน้อนทําเบาๆก็ได้รู้ c, สึกตัวเบาๆไม่ต้องหนักถ้าเราไปเก่งมากมันก็ทําให้เราปวดหัวอยากจะรู้อยากจะเห็นคําว่าอยากตัวนี้ก็คือเป็นทุกข์อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจเราไม่ต้องอยากก็ได้ไม่ต้องอยาก เพียงแต่เราทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยไม่ต้องคิดจนมันจะคิดไปจังบ้านคิดไปหาลูกหาหลานคิดอยากจะกลับบ้านมันไหนจะกลับบ้านโอพกฟูงนี้ก็วันที่หกฟูงนี้ก็วันที่เจ็ดเดี๋ยวนี้ก็วันที่หกที่เจ็ดแล้วก็จะกลับบ้านถ้าเราคิดอย่างนั้นก็แปลว่าเราเราเพลินไปกับความคิดเราต้องดึงเข้ามาดึงเข้ามากับความรู้สึกหมายความมันจะออกไปนอกเราก็ดึงเข้ามาข้างในดึงเข้ามาอยู่กับความทํำความรู้สึกตัวดึงเข้ามาอยู่ในการเดินยุบกลม ดึงดึงมันเข้ามาเพราะว่าจะให้ความคิดของเรามันสั้นลงไม่ให้มันยาวไปถ้ามันยาวไปก็ไปละไปบ้านไปช่องกลับผ่านไปโน่นไปนี่ไปเรื่อยงานนี้แล้วเราจะไปงานไหนอีกเนาะเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเว้าวติดลมบูดบาดบืดวาดอยู่อย่างนั้นเราไม่ใช่เราดึงเข้ามาให้มันอยู่กับความรู้สึกตัวอ่ก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้าม า, มาสาวเข้ามาสาวเข้ามาแั้วก็เราทอดแหเราก็ทอดแ ห, แหลงไปในน้ํา เราก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาแเรวก็ตุ่มบันก็ปานก็จยูนั้นมันไปไหนหอกการพสติของเรามันจะไปยุ่งกับความคิดมันจะคิดยังไงก็ช่างหัวมันเรื่องความคิดอใครเป็นยังไงก็อย่างเราต้องมาทําความรู้สึกตัวให้มันให้มันมากขึ้นถ้าเราทํามรความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็จะน้อยลงน้อยลงความคิดภายนอกมันจะน้อยลงน้อยลงมันจะไม่เป็ตัวสตินี้เขาได้อารมณ์หนึ่งก็าเรียกเอกขตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือม <unlucky. S 2> ีอารมณ์แค่มีความรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวการเคลื่อนกันไหวเท่านั้นเองไม่ได้ไปอื่นเราเป็นเอกคาตาคืออารมณ์มันเป็นหนึ่งเมื่อเราเป็นหนึ่งแล้วเมื่อเราเจริญสติเต็มที่การเจริญสติเต็มที่เต็มที่กันไปมันก็เป็นสมาธิสมาธิก็คืออารมณ์ภายนอกเข้ามาไม่ได้ถึงจะเข้ามามันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปทีละขณะเข้ามาทีละขณะขณะว่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปเมื่อมันผ่านไปแล้วประกอบใจของเราก็ไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่เป็นหนึ่งนั้นเองอยู่อย่างนั้น เป็นเอกขตาอย่างนั้นงนั้นเป็นเช่นนั้นเองอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอีกเจ้าของเราเป็นสมาธิเห็นง่ายเห็นง่ายทีเข้าทีเข้าถ้าเราจะพูดถึงศีลก็ศีลขันไม่ใช่ศีลแปดไม่ใช่ศีลห้าไม่ใช่ศีลสิบไม่ใช่ไม่ใช่ศีลสมาธิเจ็ดเป็นเป็นศีลขันศีลขันตอนนี้คืออยู่ในตัวในตนของเราขันแปลว่าอยู่ที่ตัวที่ตนของเรามันสี่เข้าสี่ทองก็เป็นศีลขันศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุตมิมุตขันมิมุติยานทัศนัขัน เราียกว่าขันท่าเป็นธรรมะอยู่ที่ตัวที่ตนของเราเห็นอยู่แบบนั้นเห็นอยู่งั้นเต้นอยู่อย่างงั้ น, น, น, นถ้าเราไปเพื่อปฏิบัติเข้าจริงๆเห็นเข้าจริงๆมันจะเห็นสภาวะธรรมอย่างนั้นสิ่งนี้นเกิดขึ้นก็เห็นก็เข้าใจก็รู้มันก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปนี่เป็นอาลัสงการเพื่อปฏิบัติธรรมล้วเห็นอย่างเนี้เราจึงจะให้เจริญสติให้มังมากไม่ต้องไปยึ่งกับสิ่งอื่นไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไป มองกับสิ่งอื่นบางคนก็เดินโยกมุมไปก็อบอกคุบาาายัยจันเมื่อยเนาะจะมาถามเมื่อยเนาะจะมาสอบอารมณ์มันก็คิดไปอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันไปดำความคิดถ้าเรื่อสติเดียวโอ้ใครจะมาไม่มาก็ไปว่าใครจะมาไม่มาก็ไม่สนนะคนนัมนไคนอื่นจะมาแยกเยนเราไม่ได้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ใชทองสติเป็นตัวนามธรรมเป็นคุณธรรมที่มีอยู่กับเราแม้แต่น้นอยจะมันเดินโยกลมมันตัง้งจังหวะ นิดน้อยเราก็ได้แน่อะไรได้ความรู้สึกตัวคุณญาติคุณโยมญาติธรรมเจริญสติมากๆก็ไม่ใช่ว่าได้ได้อยู่ที่ผู้บายใจยได้อยู่ที่ตัวเรานีละทำมาเอามาสอนอย่างนี้ทำมาหันเข้ามาหาตัวเราไม่ใช่ไปเรื่องอื่นเมื่อเราเห็นตัวเราชัดเจนแล้วก็เห็นรูปนามชัดเจนเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่หลงไม่งมงายนี่การปฏิบัติธรรมจึงมีคุณค่ามีราคา สำหรับขั้วการจะทำจริงจริงแม้แต่พระแม้แต่เนนไม่แต่นักบวชจะเป็นเคสเป็นทีก็แล้วแต่ก็อาศัยธรรมะอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ใช่ไปเอาเหรียญไม่ใช่ไปเอาสิ่งมลคนกระถามาคุ้มครองอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่พิสูจน์ได้ก็หมายถึงว่าต้องหลายหลายคนเหมือนกับเราเนี่ยพิสูจน์ได้ใครดี ใครทำดีพอมีสูตรได้ก็เป็นคนดีใครทำชั่วก็เห็นได้ก็เป็นคนชั่วเนีย่ยเห็นได้จริงๆถ้าใครมีความทุขมากก็เห็นได้จากการที่เขาไม่มีความสุขล้วก็เห็นได้อย่างนั้นนะฉะนั้นการเจริญสติที่พวกเราทำกันอยู่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่หรือวิสัยทำได้หนูทำได้ฉันทำได้เราทำได้ถ้าทำได้ผมทำได้ทำได้หมดถ้าเราทำจริงๆ รับรองว่าได้ <c oughs> อย่างอัตมานี่เหมือนกันก็ทําได้จะได้มากแค่้อยนั้นเป็นเรื่องของของการกระทําจะเข้าใจมากจะเข้าใจน้อยก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมากๆเราก็ได้มากถ้าเราเข้าใจนะบางคนปฏิบัติมากๆก็ไม่ได้เลยก็มีเพปฏิบัติไปตามความคิดเพิดเพลิด อ, อยู่กับความคิดมันก็ไม่ได้อะไรถ้าเราปฏิบัติไปตามสติ เพ่อพลอยู่กับสติเพื่อเพลอยู่กับธรรมะเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการคือธรรมะคือตัวสติตนเองไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ของแต่ข้าวของมันมาทีหลังแม้แต่ลูกเมียก็มาทีหลังแต่ว่าสตินี้ต้องมาก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อสติถ้าเขาอให้คะแนนสอสอคนในสอสอคะแนนดีก็มาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เป็นอันดับสอง เข้าของนั้นมาทีหลังแต่ว่าสติสมาธิปัญญาต้องมาก่อนถ้ามาก่อนแล้วก็ถ้าเรามีครอบมีครัวเราก็สบายถ้าเรามีสิ่งของเราก็สบายเพราะว่าอันนี้มันคุ้มหมดคนมีสติก็ผู้คนนั้นก็เจริญคนมีสมาธิผู้คลนันน้นก็เจริญคนมีปัญญ า, าออก็เอาตัวรอดในการลงชีวิตจะอยู่แบบไหนก็ได้ที่เนี่ยจะเป็นพระนี่ก็ได้หัวโล้นหผผัวผาเหลืองนี่นก็ดีจะเป็นเมญน้อยก็ดี ถ้าตัวสติมาก่อนสมาธิมาก่อนปัญญามาก่อนเนี่ยถ้าเป็นโยมก็ดีถ้าสติสมาธิไม่มีแล้วก็ยันจะเป็นอะไรก็ไม่ดีเป็นพระอย่างอาตมาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีสติแล้ก็เป็นพระศีบ่าเรียนในพระศีบ่าที่หลวงพ่อเป็นพวกเมื่อคืนเนี่ยพระอะไรพระศีบ้าไม่รู้จักว่าเรียนน้อยว่โกหก จะแก้ผ้าเดินกัาบ้านเป็นยังไงเปผ้าเินผ้าได้ไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิมันก็เป็นไม่ได้ถึงจะเป็นได้มันก็เป็นได้อย่างนั้นนั่นแหละเป็นได้อย่างบ้าๆด้วยนะแก้ผ้าเขาบ้านข้าถามหลวงปอสมัยแก้ผ้าเขาบ้านโอ๊ยพูดเมื่อกีเห็นตัวแลอะไรหรอไม่เป้นไรอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นบ้ามันไม่มีสติถ้าคนมีสติจะทําได้มันน่ะทําไม่ได้ จะทำทำไม่จ๊่ฝ่ามันดีที่ไหนล